เพื่ในที่เกิดเชิงพระวันที่25 95, สง 5, ิงหาคม2555ณวัดสามวันตัดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติคือเป็นความมุ่งประสงค์ของพระองค์เจ้าคือความทรงใจ ใกล้ต่อการประพฤติดุละ์หน้าที่ที่ตนจะพึงทำใดๆพึงทำด้วยความตรงใจเราจะประกอบกิใจใดๆก็าตามถ้าขาดความตรงใจนี่เรียกว่า สติจะทำจิตจิตุณะเล็กๆน้อยๆก็ขอให้มีความตรงใจคือความตั้งใจในจิตจิตุระนั้นๆมีแสดงถึงเรื่องของสติ ที่เป็นไปกับคิดการนั้นนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ในตัวถ้าขาดความจงใจแม้ผู้ที่จะเป็นช่างอยู่บ้างทำอะไรมีความสวยงามแต่ถ้าขาดความจงใจแล้ว ผลที่สำเร็จจากงานนั้นก็ต้องขาดคุณภาพก็รหะฉ น, นั้นความตั้งใจจึงเป็นของสำคัญเรามีความมุ่งอยู่ในจิตธุรนาทีของเราให้มีความรู้สึกอยู่กับทุระที่เราทำนั้นๆแม่ที่สุด เราปัดกวาดลานวัดก็ต้องให้มีสติอยู่กับปียาแห่งความธรรมของคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับข้อวัดนั้นๆการฝึกหับนิสัยการฝึกขับสติต้องอาศัยจิตการงาน เป็นเรื่องสุขนางสมาธิก็เป็นภูระอันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นการงานอันหนึ่งเราจะปัดกวาดการวาดัดหรือปัดกวาดสาราก็จับว่าเป็นงานแต่และชิ้นละชิ้นถ้ามีความจงใจหรือมีสติอยู่กับ กิจการงานซึ่งตนทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่กับภารหน้าที่ของตนเป็นความเพียรไปในตัวไม่ขาดวักขาดตอนมีเรื่องการฝึกนิสัยของผู้ใรต่อการปฏิบัติ จึงเป็นการฝึกขัดสติไปในตัวอย่างนี้ถ้าขาดความตรงใจหรือขาดสติในหน้าที่ของตนนั้นเรียกว่าความเพียนขาดละขาดตอนให้เริ่มพยายามฝึกขัดไปตั้งแต่ต้นมืออย่างนี้เมื่อความเคยชินของจิตใจเรา ที่มีต่อการงานและความเคยชินของิัยซึ่งในจุดผัดตั้งอยู่บ่อยๆการงานที่เราทำก็จะเป็นเครื่องเสริมจิตใจของเราสติก็จะเป็นเครื่องรู้สึกภายในจิตใจเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงของใจ หรือเมื่อเวลาเราจะพยายามทำความสงบภายในใจของเราโดยเฉพาะแล้วเพราะอำนาจแห่งสติที่เราเคยตั้งไว้อยู่เสมอจะ ก, กลายเป็นสติที่มีกำลังตั้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและตั้งขึ้นได้เป็นเวลานานๆจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้ตามต้องการ การที่เราอบรมจิตใจหรือบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ตามใจหวังนั้นเนื่องจากสติซึ่งเป็นแม่แรงหรือเป็นผู้บังคับไม่มีกำลังเพี่งพอจิตจึงเป็นเหตุให้เหล็ดลอดออาไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยเป็นมาของตนได้อย่างง่ายดาย เหมือน ก, นกันกับเด็กที่สนสหถ้าผู้เลี้งไม่มีความรอบคอบต่อเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นอาจจะได้รับอันตรายเพราะเพราะความสนของตนในวันใดวันหนึ่งก็ได้มีเรื่องของจิตที่มีความสนต่ออารมณ์ซึ่งตนของตนไม่เคยสั่ ง, ส, งสมมาเป็นเวลานา น, านจึงเป็นเช่นเดียวกับเด็กที่มีความสนเช่านานั้น ต้องอาศัยที่เลี้ยงคือสติเป็นผู้จดจ่อระมัดระวังและอาศัยความฉลาดคือปัญญาพยายามปลดเปลื้องในอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งจิตเคยสนใจอยู่กับอารมณ์นั้นๆพยายามแสดงเหตุผลใไข ค, รควรให้จิตทราบในเหตุผลด้วยอำนาจของปัญญาเสมอไป ใช่เมื่อได้รับเหตุผลจากปัญญาผู้ข้ามตอนดอูแล้วก็ฝืนไปคิดในอารมณ์ซึ่งเป็นค่าสึกต่อตอนเองอีกต่อไปให้เป็นเส้นเหมือนอย่างแต่ก่อนมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีการฝึกขัดจิตฝึกขัดสติ พึกขัดปัญญาให้พึกขัดทานองนี้อย่าหัดเป็นคนมักง่ายเขาเรียกว่าคนซับเศ้าเมื่อทำกิจการงานภายนอกจะเป็นงานอันใดก็ต า, ามถ้าเราทาด้วยความซับเศ้ามักง่ายแล้วยังจะกลายเป็นโลกนี้หลังเข้าไปสู่ความมักง่าย ในเวลาที่เราทําความสงบหรือทําความเพียรในทางใจโดยเฉพาะเี่ยงเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ต่อสิการงานเสมอไม่ให้มีความทัพเข้ามาง่ายฝังอยู่ในในิสัยของตอน ถาผู้มีความเข้มแข็งหรือมีความเจิดต่อหวังต่อความสําเร็จในกิจการนั้นๆด้วยความเรียบร้อยด้วยความตั้งใจแล้วผู้นั้นจะพิจารณาทางด้านภายใ น, ในใจิตใจก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกันกับกิจการภายนอกนั้นคือจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยไม่ได้เป็นไปเพื่อความซักเข้า จะเป็นไปเพื่อความรอบครอบในจิตใจของตนเองเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในสอดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกระทำงานภายนอก จ, จึงสอดถึงเรื่องหัวใจของเราในทางภายในถ้าใครเป็นคนทับซ้มามักง่ายในสิทธิหน้าที่ภายนอกแล้วนิสัซึ่งเคย น, นิสั ก็หมายถึงเรื่องดวงใจนั่นเองเป็นผู้บ่งงานในกิจการภายนอกนั้นเมื่อเข้าไปบ่งงานหรือว่าทำกิจการงานภายในใจที่เคยเป็นผู้ซัเข้ามา่ห้ก็จะต้องทำเส่นนั้นเพราะฉะนั้นการสิถัดให้เป็นคนแน่นอน ให้เป็นคนจริงต่อภูรนาพิด้วยความตรงใจทำจนสุดยิใสัยในจิตการงานนั้นนั้นให้สาเร็จลงด้วยหมดความสามารถของตนด้วยความตั้งใจผู้นี้แลเมื่อเข้าไปดำเนินภายในจิตใจคือจะอบรมจิตใจให้เป็นไปในทางสงบกว่าดีให้เป็นไปในทางปัญญากว่าดี จะเป็นไปโดยรอบคอบทั้งสองฐานคือความสงบในเมื่อปรากฏขึ้นภายในใจก็จะมีความรอบคอบในความสงบของตนเมื่อออกพิจารนาในทางปัญญาก็จะรอบคอบในทางปัญญาของตนปัญญารอบคอบปัญญาเหมือนกันก็ว่าเล็ดแข็งกับเล็ดผ่อนสามารถจะบังคับกันได้เรียกว่าเล็ด ก, กรา สามารถบังคับเล็กอ่อนหรือตัดเล็กอ่อนก็ได้อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่ปัญญาที่มีความเฉลาดสามารถที่จะพิจารณาปัญญาส่วนละเอียดได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการฝึกขดมิสัยให้พยายามฝึกมิสัยของตนเสมอตั้งแต่ต้นทางต้นทางก็หมายถึงใจดวงนี้ ปลายทางก็หมายถึงใจดวงนี้หยาบก็หยาบอยู่ที่ตัวของเราเองเข้าสู่ความละเอียดก็เข้าสู่ความละเอียดที่ที่ตัวของเราเองมีเป็นการเทียบ เ, เฉยๆว่าต้นทางหรือปลายทางคำว่าต้นทางหมายถึงว่าการเริ่มทํางานทีแรกหรือเริ่มอบรมจิตใจทีแรกเรียกว่าต้นทางการเริ่ม ทำงานในทางด้านจิตใจของเราไปถึงขั้นมีความสง บ, ม, ม, บส ม, มีความเยือกเย็นจิตเป็นสมาธิและมีความเงียบขายทางด้านปัญญาบ้างนี่เรียกว่ากลางค่าจิตมีความเฉลียวฉลาดทั้งด้านสมาธิก็ละเอียดทั้งด้านปัญญาก็มีความสามารถจนถอดถอนตนของตนให้พ้น จากสี่แง่ล้อมทั้งหลายได้นั้นเรียกว่าปลายทางแต่เมื่อสรุปความลงแล้วต้นกับปลายก็เหมือนกันกับผลลไม้ผลลไม้เราจะเรียกได้ไหมว่าต้นของผลละไม้ปลายของผลละไม้มองดูที่ไหนก็เป็นผลลไม้ลูกเดียวนั้นเองเหมือนอย่างมะพร้าวเราจะขี่ถูกไหมว่า รายของมะพร้าวลูกหนึ่งลูกหนึ่งนั้นอยู่ที่ไหนต้นของเขาอยู่ที่ไหนในมะพร้าวลูกนั้นก็เรียกว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นไม่มีต้นไม่มีปากเรื่องของใจก็ทํานองเดียวกันนั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติคือกิริยาของใจ ที่จะพิพจารณาในความหยาบปันกลางหรือความละเอียดแทงความเป็นอยู่อารมณ์ที่เป็นอยู่ผู้บายที่จะพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นมีความหยาบมีความป่นกลางหรือมีความละเอียดซึ่งเกิดขึ้นมาจากใจตรงเดียวต่างกันเพียงเท่านี้เองจึงเรียกว่า ตอนต้นตอนกลางหรือตอนปลายหรืออยากว่าต้นทางหรือปลายทางมีความหมายได้เพราะอาการของจิตหรือสิ่งนีดล้อมของจิตมีความหยากความละเอียดเท่านั้นกอให้พากันฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนจริงเสมออย่าเป็นคนวอกแวกคอนแคนอย่าเป็นคนจับจด ฝึกขัดนิสัยให้จริงว่าจะไปต้องไปว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะทำต้องทำกาหนดเ ว, เวลาอย่างไดไวแล้วอย่าให้เคลื่อนคลาดในเวลาเวลาซึ่งตนของตนได้กำหนดเอาไว้ตนของตนได้เอามือลงเขียนไปแล้วให้เอามือลบอย่าทำทํานองที่ว่ามือเขียนแล้วลบด้วยเท้า เราตั้งคำสัตย์ใส่ตัวของเราเองแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาสามารถทำลายความสัตย์ของเราเราใช้เองเป็นผู้ทำลายความสัตย์ของเราอย่างนี้เรียกว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยฝ่าเท้าเป็นการไม่ถูกตามหลักธรรมของต้นเด็ดกระถูมีกระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้มีความนแน่วแน่ ต่อความดำริต่อความคิดหรือต่อความตัดสินใจของตนเสมอถ้าเราได้ตัดสินใจลงในกินจการงานในอันใดที่เห็นว่าเป็นการถูกต้องแล้วจงเป็นผู้พีชีพลงเพื่อความสัตย์หรือเพื่อกิจการนานๆเสมอจะเป็นนิสัยที่แน่นอนเป็นนิสัยคนจริไม่เป็นนิสัยที่ว่ามอกแม่คลอนแคลง ไว้ใจไม่ได้เมื่อเราทาตัวของเราให้ไว้ใจของเราไม่ได้แล้วเราจะหวังขึ้งใครศีลก็เป็นเรื่องของเราจะพยายามรักษาให้สมบูรณ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจในการรักษาศีลของเราเพราะเราเป็นคนมอกแม่อนแคลนไม่แน่นอนในใจของตนที่จะรักษาศีลด้วยกายวาจาใจให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แล้วเราจะอาศัย ใเป็นที่ไว้ใจเมื่อเราเองเป็นผู้ตั้งใจจะรักษาสีให้เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แต่เราก็ไม่ไว้ใจเราเพราะเราเป็นคนไม่แน่นอนและคุณสมบัติซึ่งจะเกิดขึ้นจากสีนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่แน่นอนผลก็ต้องตามรอยกันไปนั่นเอง ถึงจะพยายามทำสมาธิให้เกิดเราก็ไม่แน่นอนในในธุระหรือในการกระทำของเราที่จะสามารถจังจิตของเราให้เป็นไปเพื่อสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นหยากจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดเมื่อเราเป็นผู้ไม่แน่นอนในจิตการของเราในหน้าที่ของเราตัดสินใจเราลงไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนหลักรอย สมาธิก็ไม่มีสินก็เป็นสินลอยลมสมาธิก็ลอยลมปัญญาก็ลอยลมหาอะไรเป็นสาระแก่นสารในตัวของเราไม่ได้มีโทษแห่งความไม่แน่นอนโทษแห่งความเป็นคนไม่จริงตัดสินใจของตน ล, ลงสู่หลักแห่งกรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วยังไม่ได้เราจะหวังผล มาจากที่ไหนเล่าปัญญาจะหูงต้มแกงกินเหมือนอย่างอาหารหวานขาวไม่ได้ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายทรงทราบเสมอและทราบทุกขณะว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นจากผู้ที่ชอบคิดชอบคนชอบที่เจรนาคนไม่มีปัญญาไม่สามารถแต่รักษาสมบัติจะประกอบการงานให้สำเร็จลุล่วงก็ได้ด้วยความเรียบร้อย ไม่สามารถจะรักษาสมบัติให้ปลอดภัยจากโดนจากมารได้ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมคนมีความฉลาดที่คนมีปัญญาสามารถที่จะประกอบการงานตั้งแต่ชิ้นเล็กๆจนสามารถประกอบได้จนการถึงการงานที่เป็นชิ้นใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับปัญญาเรื่องการปฏิบัติของศาสนา สำคัญอยู่ที่ปัญญาสติเมื่อมีความกระเทือนขึ้นภายในใจปัญญาต้องรับช่วงเสมอสิ่งที่มาสัมผัสให้จิตได้รับความกระเพื่อมแสดงให้เห็นแล้วว่ามีความรู้สึกในสิ่งที่มาสัมผัสได้เริ่มขึ้นแล้วสติเป็นผู้รับรู้ในวรระที่สองปัญญาเป็นผู้รับช่วงไปจากสติเป็นวรระที่สาม การฝึกหัดตนของตนเป็นธํานองนี้จิตจะได้อยู่ในกรอบของสติจะได้อยู่ในกรอบของปัญญาเมื่อปัญญาเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนหลบลมมาจนเคยชินจนกลายเป็นนิสัยของคนที่ชอบคิดอ่านใครกรองดูเหตุผล ตัดสินตนของตนได้ด้วยความถูกต้องเพราะอำนาจแห่งปัญญาแล้วแม้จะเข้าไปข้างในคือหมายถึงใจโดยเฉพาะก็ต้องเป็นผู้สามารถที่จะตัดสินใจลงได้ด้วยหลักเหตุผลเพราะอำนาจของปัญญาอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นจงพากันพยายามสติขับปัญญาให้แนบสนิท ก, กับตัวไปทุกเวลามาถึงไหน ให้สติกับปัญญาไปถึงนั้นหูได้ยินถึงไหนสติกับปัญญาให้ถึงที่นั้นจมูกลิ้นกายมีอะไรมาสัมผัสชั่วรยาตใกล้ใกล้แค่ไหนหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญาให้ตามรู้ให้รับความรู้สึกกันอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสติกับปัญญา ตามรอบดูตามพิจารณากันอยู่เสมอนี่ท่านผู้ที่จะพ้นไปจากโลกท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ทำอย่างไม้สูงทั้งท่อนที่ทิ้งอยู่ให้เด็กเขาขึ้นบนไม้สูงทั้งท่อนนั้นแล้วที่ลดลงไปนี่เมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นเช่นเดียวกับไม้สูงทั้งท่อนแล้ว ที่เนตตัญหาอาสวะจะมาทั้งรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสล่วงไหลเข้ามาสู่ายจนะภายในคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะขี้รถลงไปสู่หัวใจดวงนั้นเพราหัวใจดวงนั้นเป็นไม้สูงทั้งท่อนไม่มีความเยียบพายไม่มีความเฉื่วฉลาดไม่มีความรอบคอบ ต่อตนเองต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในเจรงกลายเป็นขอนสูงทั้งท่อนให้ที่เด็ดกันหาอาาัจฉระที่รดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่สมควรสำหรับผู้ที่จะดำเนินเพื่อวิวัตะคือความพิษโลกสงสารให้ออกจากจิตใจของตนจึงไม่ควรทำใจของตนให้เป็นสูงทั้งท่อน ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรานั่งอยู่ก็ที่ไหนก็ตามถ้าพยายามระวังพยายามจิตคน้นสติกับปัญญาจะมีอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ใคร่ต่อการระมัดระวังผู้ใคร่ต่อการพิจารณาสอดสตองหรือไก่กลองในเหตุทั้งหลาย ที่มาสัมผัสซึ่งเป็นปอยู่์ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ธรรมชาติที่จะมากระตุ้นเตือนหัวใจของเราให้สติได้รับรู้ให้ปัญญาได้ไก่กลองทั้งนั้นเดินไปไหนตาถึงไหนให้มีสติปัญญาไปถึงที่นั้นนี่แหละนักปฏิบัติเพื่อความรอบคอบทั้งภายนอกเข้าสู่ภายใน ต้องเป็นไปกับสติหรปัญญาอย่างนี้ถ้าเราทำเหมือนอย่างขอนสูงทั้งข้อนเดินไปก็สักแต่ว่าเดินนั่งก็สักแต่ว่านั่งภาวนาก็สักแต่ว่าความตั้งไว้ในใจเบื้องต้นเท่านั้นแล้วนั่งอยู่เหมือนกับหัวต่อความรู้สึกความรับผอบในการงานคือการภาวนาของตนไม่มี ก็เหมือนกันกันกนกบหัวต่อไม่เห็นจิตเกิดกันอันใด น, นี่ขอให้เราทั้งหลายได้คีพิณิพจน์รื้อฟื้นสติซึ่งมีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาหรือฟื้นปัญญาที่มีอยู่กับหัวใจของเราขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สำหรับหัวใจของเราเองวิเลศไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อืน่นเกิดขึ้นจากหัวใจของเรานี่เองแต่เขาเหยียบย่ําหัวใจเพราะหัวใจเป็นสูงขอนสูงทั้งท่อนไม่สามารถที่จะปลดเครื่อง สิ่มอหมองซึ่งเกิดขึ้นจากคนที่เรียกจึงกลายเป็นขี่รถใจดวงนั้นลงไปทุกวันทุกวันท่านจึงเรียกว่าขี้โลกขี้โกรธขี้หลงขี้ลีดดังนี้เป็นต้นขี้เหล่านี้เกิดขึ้นจากหัวใจทั้งนั้นที่ท่านว่าขี้หมายถึงว่าเป็นของที่อยากก็เลยให้ชื่ออย่างนั้นเสีย เมื่อเราเป็นผู้มีความมุ่งประสงค์ที่จะทำตัวของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกภายในใจิตใจจงเป็นผู้ฝึกหัด ส, ะสะติเสมอพยายามตั้งสติให้ดีตรวจรองดูอวัยวะทุกส่วนมีสติเป็นรัวกัน้นจิตยาให้เลยขอบเขตของสติไปได้ ปัญญาเป็นผู้จรนยนี่ทางภายในพิจารณาให้ชัดนี่พูดถึงเรื่องการพึกหขัดนิสัยในเบื้องตน้นต้องเป็นผู้มีความตั้งอกตั้งใจพุกธัดจริงเมื่อเรามีการตั้งอยู่เสมอจนชินต่อ น, นิสัยเราแล้วเราเดินไปที่ไหน สติก็ต้องเป็นไปอยู่ปัญญาก็ต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นภัยจะมาจากที่ไหนเหตุที่ภัยจะเกิดขึ้นให้ใจของเราได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอารมณ์ซึ่เกิดขึ้นจากใจเองเองเกิดขึ้นได้ ทุกทุกประเภทและไม่เลือกการเวลาด้วยไม่เลือกอิยาบทใดด้วยทีนี้เราก็มาตำหนิติโทษเราว่าจิตใจไม่สงบจิตใจได้รับความเดือดร้อนแต่เราต่อแสวงหาความเดือดร้อนใจ้เองนั้นเราไม่ทำหนึ่ง อาการที่แสดงหาความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวนี่ท่านเลียกว่าสมุ ท, ทยัยเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์เมื่อก่อไปขึ้นมาแล้วจะบังคับไม่ให้ร้อนมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อเหตุถ้าเป็นเรื่องของสมุทัยขึ้นมาแล้วผล ท, ที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นทุขจะกลายเป็นสุขไปไม่ได้ครั้งองค์สมเด็ดพระภูมิพระภาคเจ้าแสาวกทั้งหลาย ท่านเดินจงกลมปรากฏในประวัติของสาวกว่าบางองค์ถึงเท้าฝ่าเท้าแตกก็มีนะดังนี้เป็นต้นมี่ก็สอให้เห็นแล้วว่าท่านพยายามเอาจิงเอาจังแค่ไหนเพราอความที่จะแหวกว่าจากวัฏจักรอันนี้ไปให้พ้นไปเกี่ยได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด แล้วความทุกข์ความยากความลาบากเช่นอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอยู่ณหมัดนี้มีตัวบอกของเราเป็นต้นซึ่งได้เคยผ่านความทุกข์ความประมาณมาเช่นเดียวกันจึงไม่ควรที่จะทําความกระหายหรือร่าเริงต่อความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ใจทําไมจึงเป็นไปเพื่อความสงบไม่ได้ลองสังเกตดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกต โดยเฉพาะในหัวใจของเราแล้วเราจะได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันแล้วในขณะที่เราได้เห็นข้อบกพร่องของเราทั้งวันนั้นแสดงว่าเราก็มีข้อสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันเพราะเรามีสติเราจึงเห็นข้อบกพร่องของเราความที่เรามีสตินั่นเองเรียกว่าเราได้ความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับลำบักคือว่าสมบูรณ์ตามขั้น เริ่มจะเป็นความสมบูรณ์เป็นขั้นขั้นขึ้นไปไต้องพยายามพิจารณาอย่างเราไม่ต้องสนใจกับเรื่องอะไรทั้งนั้นให้สังเกต ด, ดูตั้งแต่เรื่อหงหัวใจที่จะบรุงเรื่องอะไรขึ้นมาและบังคับไว้ภายในกายกับจิตนี้ท่านว่าคติฐานสี่คือฐานที่ตั้งแห่งสติพูดง่าย จิตเราได้ตั้งอยู่กับกายนี้แล้วสติบังคับจิตไว้กับกายนี้แลว้วปัญญาท่องเที่ยอยู่ในสกลอากายนี้แลว้วเรียกว่าได้เดินทางใน อ, องค์งอายะจัตอย่างสมบูรณ์ทุกก็เป็นอันที่จะรู้เท่ากันในองค์แห่งอายะจัตนี้ สมุทัยก็เป็นอันว่าจะได้ละได้ถอนกันอยู่ในองค์อา ย, ยัดนี้มรรคก็เป็นอันว่าเราได้บำเพ็ญยุบในตัวของเราพร้อมกับเวลาที่เราบังคับจิตใจหรือไก่จองในธาตุขันธ์ของเรานี่นโลทะความดับไปแห่งความทุกข์จะแสดงให้เราเห็นเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นหยาบที่สุดของคุกชั้นต่าจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุด ว่าได้นอกเหนือไปจากสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะเหตุ น, นั้นสฏิปฐานทั้งสี่จึงเป็นทางเดินของภาริยเจ้าทุกๆประเภทกายหมายถึงอวัยวะของเราทุกส่วนที่เรียกว่ากองรูปเวทนา คือความสุขความทุกข์และเฉยๆจิตหมายถึงเจตสิกธรรมที่ปรุงขึ้นไม่ขาดว่าขาดตอนทมหมายถึงอารมณ์ที่ เป็นเป้าหมายของใจนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่บรรณาภริยาเจ้าทุกๆประเภทต้องคือสติปัฏฐานสี่เป็นอารมณ์ของใจการพิจารณากายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตาม โดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้างโดยความเป็นของปฏิกูลโสโครก บ, บ้างเหล่านี้เรียกว่าที่เกิดนากายยานุปัสนาสติปัฏฐานกายนี้มีทั้งกายนอกกายในกายในหมายถึงกายของเราเอง กายนอกหมายถึงกายของสัตว์อื่นบุคคลอื่นหรือสภาพที่จะเป็นอุบายแห่งปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัตถุเราจะเรียกว่ากายโดยอารมณ์ก็ได้มีเรียกว่ากายนอกพิจารณากายนอกก็ตามพิจารณากายในก็ตาม ให้เป็นไปเพื่อความเห็นโทษให้เป็นไปเพื่อความแก้ไขให้เป็นไปเพื่อความฉลาดปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเบี้ยบัฟพิจารณากายในสติปัฏฐานการพิจารณากายทั้งหลายเหล่าที่กล่าวมานี้เพื่อเห็นโทษ ในส่วนแห่งกายซึ่งเป็นที่ยึดถือของอุปาทานเมื่อได้พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนั้นแล้วทั้งกายนอกทั้งกายในโดยทางปัญญาความสำคัญในกายนั้นมากเป็นอย่างไรซึ่งเคยเป็นมาก็จะได้บรรเทาหรือเบาลงไป หมดความสําคัญว่ากายนั้นเป็นอะไรอีกเช่นอย่างเป็นของสวยของงามเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของน่ารักน่าชอบใจหรือน่ากําหนัดกินดีเหล่านี้เป็นต้นก็จะขาดลงเพราะอํานาจของปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินความสําคัญของใจซึ่งเป็นบอกเกิอดอย่างอุปาทาน ที่ไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยหมดไปเป็นลำดับเช็นยังงองสมเด็จพระปูมีพระพ่าเจ้ท่านสอนพระสาวกให้ไปอยู่ในปา่าช้าให้พิจารณาซากอสบในปา่าช้าก็หมายถึงเรื่องกายนอกกันเอง การพิจารณาสภาพของตัวทั้งหมดนี้เรียกว่ากายในการพิจารณาไม่เพียงแต่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวต้องถือเป็นจิตจาเป็นเช่นเดียวกันกับการรับทานอาหารเป็นประจำวันแต่การรับทานอาหารนั้นต้องเป็นเมืร่มเวลา เป็นอย่งวันหนึ่งสามมือบ้างสองมือบ้างหรือมือเดียวบ้างแต่การพิจารณาในส่วนแห่งกายจะเป็นการนอกก็ตามการในก็ตามเป็นอาชินยิ่งได้ตลอดเวลายิ่งดีสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความถอดถอนอุ ป, ปาทานออกจากกายที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความหลงมีเดียวกับการพิจารณา ตายานุปัสตนาสติปทานเมื่อสรุปความลงในผลแห่งการพิจารณาแล้วก็สัต์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ด้วยไม่ใช่บุคคลด้วยไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่เขาด้วยมีสัตว์แต่ว่ากายเท่านั้นโดยทางปัญญาจริงๆเมื่อจิตได้เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้แล้วความกังวลเกี่ยวข้องในเรื่องกาย ความสอดแสวงหาโดยทางอารมณ์ซึ่งเกี่ยวกับกายความที่จะยึดมั่นถือมั่นในส่วนกายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นผลอันหนึ่งเมื่อตัวเหตุคือความอุอปทานได้หมดไปแล้วเพราะอำนาจของปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหมดไปหรือดับไปพร้อมๆกันไม่มีอันใดเหลือทีนี้เราคุณทราบว่าการพิจารณานนกติประธานสี่นี้าจะต้องพิจารณากายเสก่อน แล้วก็ตอบไปเวทนาตอบไปจิตและตอบไปธทรรมอย่างนั้นเป็นการคาดผิดไปอันนี้เป็นชื่อของส่วนแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ด้วยกันแล้วท่านแยกออกไว้เป็นสี่ประเภทเท่านั้นในประเภททั้งหมดนี้มีอยู่กายอันเดียวนี้เวทนาก็อยู่ในกายอันนี้จิตก็อยู่ในกายอันนี้ธรรมก็อยู่ในกายอันนี้ แต่ท่านแยกประเภทออกไปทีนี้ความเข้าใจของเราอาจจะมีความเห็นผิดไปว่าเมื่อท่านแยกออกเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมแล้วหากว่าเราจะพิจารณาในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนแล้วจะเป็นการผิดอย่างนี้มีอาจเกิดขึ้นได้ในความเห็นผิด แต่แท้ที่จริงเวลาเราพิจารณากายเวทนาก็แฝงอยู่ในกายนั้นความทุกข์ไม่เลือกการในจะเป็นการที่เรากำลังพิจารณากายอยู่ก็าตามหรือนอกจากการนั้นแล้วกว็าตามเกิดขึ้นได้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความเฉยๆฉย ซึ่งเป็นโอกาสหรือเป็นช่องซึ่งที่เราจะควรพิจารณาในเวลาเวทนาเกิดขึ้นนั้นถ้าได้ทราบทัดว่าเวทนานี้เป็นอะไรนอกจากว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะเห็นว่าเวทนาซึ่งเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรอีกในบนรรดาเวทนาทั้งสามนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเวทนาทั้งสามนี้มีลักษณะเช่นเดียวกัน ว่าอันนี้จังเวทนาจะเป็นสุขก็าตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ขขาตามเกิด ข, ข, ข, ข, ข, ขึ้นทุกการทุกสมัยต้องเป็นไปกับด้วยตรลักษ์ทั้งนั้นไม่มีระยะเดียวที่จะห่างจากตรลักษ์คืออันนี้จังทุก ข, ขังอนัตตาไปและกับเบเสดความเป็นศักด์เป็นบุคคลตายตัวอยู่เช่นนั้นตามสภาพของเขาดีมีเรียกว่าพิจารณาเวทนา เราจะพิจารณาการใดสมัยใดไม่ขัดข้องทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกติปัฏฐานสี่แล้วความติดในอาการทั้งสี่หรือในสภาวะธรรมทั้งสีนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี้เราไม่ได้เลือกติดตามการตามเวลาของเขาติดได้ทุกขณะติดได้ทุกเวลาในสภาวะธรรมทั้งสีนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพิจารณาแก้ไขในสภาวะธรรมทั้งสีนี้ จึงไม่จาเป็นจะต้องกำหนดเวลาคำว่าพิจารณาจิตจะพิจารณาอย่างไรจิตก็พิจารณาเจตสิกซึ่งเกิดขึ้นจากใจนั่นเองว่าไปสําคัญมันหมายในกายในเวทนาเหล่านี้เป็นอะไรมั้งปรุงแต่งกับกายจะเป็นกายนอกก็ตามกายในก็ตามปรุงว่าอย่างไรหมายว่าอย่างไรกำหนดพิจารณาตามกระแสะของใจสิ่งที่เปหมายหรืออารมณ์เหล่านั้น เป็นธรรมขึ้นมาแล้วจริงเรียกว่าเป้าหมายนั่นเองอารมณ์ที่จิตพิจารณาที่จิตดจดจ่อ น, นั้นเรียกว่าเป็นเป้าหมายของใจเป้าหมายนั่นเองท่านเรียกว่าธรรมถึงกานว่าพิจารณาเวทานาใยเวทานาน อ, อันนี้เป็นปัญหาหนึ่ง ส่วนกายในกายนอกเราพอทราบกันไในชัดเช่นอย่างกายของคนอื่นหรือเราไปเยี่ยมป่าท้าก็แสดงว่าเราไปพิจารณากายนอกส่วนเมตนาในนี้จะหมายถึงเมตนาอะไรเมตนานอกหมายถึงเมตนาอะไรเมตนานอกถ้าเราเจอหมายคนอื่นเป็นทุกข์คนลำมาหากว่าเขาไม่แสดงปียามารยาทอาการให้เราเห็นว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกแล้ว เราจะมีช่องทางหรือโอกาสที่จะนาเวทนาของเขาได้อย่างไรมีเป็นปัญหาอยู่แต่นี้เพื่อจะให้เป็นสิ่งสมอเดือรูปในทางด้านปฏิบัติของเราจะถูกก็ตามผิดก็ตามข้อสัมพันธ์ให้ถือเอาผลประโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในการกระทําของตนเป็นความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความแยบย เป็นไปเพราความเฉลียวฉลาดแล้วให้ถือว่านั้นว่านั้นเป็นของใช้ได้เป็นการถูกจกัดลำธรรมของพระพุทธเจ้าพเพราะฉะนั้นในสถ า, านที่นี้หรือเวลานี้เราก็ขออธิบายตามอัตโนมัติหรือความรู้โดยตนในพิจารณาอย่างไรให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังเวทนานอกนั้นหมายถึงกายเวทนาเวทนาในาหมายถึงจิตตเวทนาคือเวทนาที่เกิดขึ้นในส่วนแห่งกายจะเป็นการ เจ็บท้องปวดหัวก็ตามเจ็บส่วนอย่าง อ, อวัยวะหรือจะปวดที่กงไหนทุกที่กงไหนก็ตามในส่วนแห่งอวัยวะนี้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นเมตนานอกจะเป็นสุขขึ้นทางกายก็ตามเฉยๆขึ้นทางกายก็ตามจับว่าเป็นเมทนานอกทางนั้นส่วนเมทนานายนั้นหมายถึงใจได้รับอารมณ์อันใดขึ้นมาเพราะอํานาจของสมุทัยเป็นเครื่องผักดันเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้าง เกิวความสุขความลื่นเริงขึ้นมาบ้างเฉยๆบ้างตท่นี้เรียกว่าเวทนาในการพิจารณาเวทนานอกการพิจารณาเวทนานามีตรายักษ์เป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อเราได้พิจารณาในส่วนกายให้เห็นชัดส่วนเวทนานอก ที่มีอยู่กับปานี่ชัดแล้วเราจะพิจารณาเวทนาส่วนภายในนี่ก็ย่อมจะทัดไปได้เพราะอำนาจของปัญญาที่มีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับนีการพิจารณาชัติประธานพิจารณาอย่างนี้พิจารณาจิตตามปะยาท่านกล่าวไว้นั้นบรรดาท่านผู้ฟังท่านหลายก็พอเข้าใจแล้ว กระแสะของใจเรามีความเกี่ยวข้องก็อีกพิษแไปในอารมณ์อันใดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของใจอยู่เสมอมีเรียกว่าพิจารนาจิตคือพิ่จะในที่จะน า, านาในขณะเดียวกันนั่นเองเวลานั่งหรือเวลายืนเวลาทําความเพียรอยู่นั่นเองในการเดียวสมัยเดียวนั่นเองสามารถ ที่จะพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไปรพร้อมๆกันได้เพราะอาการทั้งสี่นี้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทับซ้อนผสมเจือยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีการกาหนดว่ากายจะต้องปรากฏขึ้นก่อนแล้วเวทนาเป็นที่สองจิตเป็นที่สามธรรมเป็นที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั่วสนันตพรางร่างกายและจิตใจของเราด้วนแล้วต้องจะเป็นเรื่องของสติปัฏฐานสี่ทั้งนั้นการที่เราจะพิจารณาใน ส่วนสภาวทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับใจของเราในส่วนใดนั้นเป็นเรื่องถูกต้องเมื่อท่านผู้ใดเป็นผู้หักห้ามกั้นกลางจิตใจของตนบังคับจิตใจของตนให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นี่แล้วเรื่องของสติก็ดีเรื่องของปัญญาก็ดีจะเป็นขึ้นในสถานที่นี้ คำว่าอาริยะที่ท่านกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นมาโสดาสกิทานาคารหันก็ต้องได้อุบายไปจัดทมทั้งสี่ประเภทนี้เองด้วยอนานาจของปัญญาเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดแจ่มแจ้งตามไปจริงในสภาวะนี่แล้วควรจะได้รับผลในธทมขั้นใดก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นขั้นขั้น ตามแต่กําลังความสามารถของตอนจะพิจารณาได้ในทำขั้นไหนเพราะนั้นผลจินตากฏขึ้นว่าเป็นพระโวดาบ้างเป็นพระกิตาคาบัาง้งเป็นพระนาคาบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างอย่างนี้การพิจารณาทติปัฏฐานทั้งสี่ก็ดีการพระิพิจารณาในอริยสัจจะทำทั้งสีก็ดีอ ย, รรดอย่าพึงทราบว่าเป็นคนละทางและอย่าพึงทราบว่า เป็นคนละประเภทเป็นคนละหน้าที่ต่างกันตั้งแต่ชื่อเท่านั้นในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวกันกายก็ทุกขังอันเยสัจจังชาติปิตุขาชราปิตุข า, า, ขามานำปิตุกขังนี่เรียกวก่ากายการพิจารณาในความทุกข์ความลําบาก ค, ความทรมานของกายนี้ก็จัดเตินกายญยานุปัสสนาด้วยเป็นทุกขะกัดด้วยการพิจารณาถึงเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้น ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจก็จัดว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจะรื้อถอนทั้งเรื่องของส ม, มุทยัยด้วยและทุกทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นเป็นตัวผลในส่วนแห่งกาย ก, ายก็ดีในส่วนแห่งจิตก็ ด, กดีนี้เป็นเรื่องของทุก์การพิจารณาที่จะรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรนี่เป็นอุบาสที่จะถอนส ม, มุทยัย ซึ่งเป็นนาสําคัญอยู่ภายในใจมี้พร้อมๆกันไปแล้วเพราะนั้นเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีเรื่องสติปัฏฐานธรรมทั้งสีก็ดีเพิงรรง่งทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นอันเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นไม่มีผิดเกิดกันใดถ้าจะเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกันก็นว่ากายของเราทั้งหมดนี้เราให้ชื่อว่าข้างหน้าข้างหนึ่งข้างหลังอย่างหนึ่ง ข้างซ้ายอย่างหนึ่งข้างขวาอย่างหนึ่งข้างบนอย่างหนึ่งข้างล่างอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าข้างบนที่ไหนนอกประจากกายข้างล่างที่ไหนนอกประจากกลกายข้างหน้าข้างหลงังข้างซ้ายข้างขวาที่ไหนนอกประจากกายอันนี้อั น, นี้ออกจากกายอันเดียวกันขท่งนั้นเพราะนั้นลักษณะอาการที่ท่านว่าไว้ว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีสต harmony, สิตปัฏฐานธรรมทั้งสี่ก็ดีเพิงทราปปบว่าออกจากธรรมชาติอันเดียวนี้ เมื่อปัญญาของเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในส่วนรูปเรียกว่ากายานุปัานาให้เห็นชัดตามจริงเพราะอำนาจของปัญญาเราพิจารณาไม่หยกยั้งแล้วความปล่อยวางในกายนี้ก็จะปรากฏขึ้นชัดภายในจิตใจของเราเรียกว่าถอนอุปทานของกายเสยได้ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้งสามให้เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนแห่งการนี่แล้วสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความคิดวิญญาณความรับรู้ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเห็นชัดเช่นเดียวกันแหล ความปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากความเป็นตนจากความเป็นเราเป็นของเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันกับปล่อยวางตายเช่นนั้นการกล่าวมาทั้งหมดนี้หรือการพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้พิจารณาตามขั้นของจิต ที่มีความติดพันติดมั่นพัวพันอยู่ในส่วนใดก็ต้องขี้ลายเปิดเผยให้จิต ด, ดูว่ามีอะไรมั่งอยู่ภายในเนช่นอย่างพิจารณากายเหตุที่จะพิจารณากายก็เนื่องจากว่าใจไปสําคัญการนี้ว่าเป็นอะไรมัง่งไม่รู้กี่ช่องกี่ทางให้รู้กี่สมมุตินิยมที่กายจะทําความขี้ใจจะทําความหมายขึ้นจากกายท่อนเดียวหรือก้อนเดียวนี้ ว่าเป็นสัตว์บ้างว่าเป็นบุคคลบ้างว่าเป็นหญิงว่าเป็นชายบ้างว่าเป็นของสวยของงามบ้างว่าเป็นที่น่ารักใครชอบใจบ้างเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เกิดขึ้นเป็นความสำคัญที่เกี่ยวกับกายเท่านั้นเมื่อปัญญาได้ขีคกายดูให้เห็นชัดว่ามีเราอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่ไหนในกายอันนี้มีของสะอาดของสวยงามอยู่ที่ไหน มีของเที่ยงท้าเที่ยงแท้ท้าวรที่ไหนมีความเป็นของเที่ยงที่ไหนมีความไม่แปลอยู่ที่ไหนมีอัตรา ย, ยึดอยู่ที่ไหนในส่วนแห่งกายนี้ชี้แจงแสดงโดยทางปัญญาให้ใจได้เห็นชัดก็เทียบกับว่าคลี่คลายดูสิ่งปกติให้ใจได้เห็นชั ด, ด, ใ, ห ใ, ด, หชดให้ใจได้หายสงสัยในสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามจิตของตนมุ่งหวัง ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นแล้วจิตก็จะปล่อยวางจากสภาพทั้งหลายเหล่านี้โดยอัตโนมัติของตนเองไม่ต้องบังคับให้ถอดให้ถอนให้ปล่อยให้วางแต่อย่างไรเพราะจิตได้เห็นชอบตามปัญญาแล้วที่ปล่อยวางมาอย่างนี้การพิ่จณนาเวทนาก็คลี่คลายเช่นเดียวกันกับคี่คลายส่วนกายให้หจิตได้เห็นรับคี่คลายดูเวทนาทั้งสาม ท, ทุกเเฉยๆพี่คลายดูสัญญาให้ชัดพี่คลายดูสังขารให้ชัดที่คลายดูวิญญาณให้ชัดโดยลักษณะเช่นเดียว ก, กันกับที่คลายในส่วนกายด้วยปัญญาให้จิตได้กรองตามปัญญารู้ตามปัญญาที่ที้ช่องบอกทาง ได้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องบังคับให้ถอดถอนจากสิ่งทังหล้ายเหล่านี้โดยความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเสียนี่เราก็ไม่ต้องบังคับอีกเช่นเดียวกันเพราะอานาจของปัญญาได้อย่างทราบทั่วถึงหมดแล้วเปิดดูให้เห็นชัดไม่มีอะไรลี้ลับเพราะอานาจของปัญญานี่จิตก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามา กร่แสของใจที่วิ่งอยู่ลึก ๆ, ๆๆต่อสภาวะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสัญญาที่มีความสำคัญมั่นหมายในติดทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นอันถอดถอนมาพร้อมๆกันนี่การเห็นโทษในสภาวะธรรมทั้งหลายเบื้องต้นก็ต้องเห็นโทษในสภาวะธรรมเพราะเราไปเห็นคุณในสภาวะธรรมแต่เมื่อได้ที่เาในสภาวะธรรม ส่วนามีรูปเป็นต้นแล้ให้ชัดด้วยปัญญาสภาวะทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดความลี้ลับเป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นสภาวะธรรมที่เปิดเผยโดยทางปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วก็กรลาเป็นธรรมที่เปิดเผยอีกเช่นเดียวกันนี่ จิงจะได้เห็นกระแสะของใจที่เพ่นพานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นเรื่องที่ว่าตื่นเงาของตัวอยู่ตลอดเวลาให้ชัดขึ้นแล้วในขณะ น, นี้แต่ก่อนผูกลูกเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสและความสัมพันธ์มั่นหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกติกำ บ, บังกระแสะของใจจึงไปเห็นแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นปุ่นเป็นโทษไปเสียหมดโดยเราเป็นผู้บริสุทธิ์พุโทโธแต่ผู้เดียวทั้งทั้งที่เราเป็นผู้หลงแต่ผู้เดียวนั่นเองนี่ ตอนเมื่อได้คลี่คลายสภาวะทั้งเป็นฝ่ายรูปทั้งเป็นฝ่ายนามให้ชัดเจนด้วยปัญญาอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้วก็ยิ่งจะเห็นกระแสะของใจเห็นกระแสะของใจชัดจนกระทั่งถึงเห็นรากฐานของอวิชชาซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่รู้รู้เป็นบ่อกเกิดแห่งกระแสะของใจนี้ชัดเจนเข้าไปเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเรียกว่าเปิดเผยขึ้นอีกคลี่คลายดูความรู้ที่เป็นเจ้าวัตจักร เป็นความรู้ติภูหกนี้ให้เห็นชัดด้วยปัญญาธรรมชาติอันนี้ก็เลยกลายเป็นธรรมเปิดเผยขึ้นมาอีกไม่มีอนไรที่เหลือล่ออยู่นี่เมื่อธรรมชาติคืออวิชชาซึ่งเป็นความรู้ลี้ลับเป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องโกงหกมายาสาถยให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาปัญญานี้แล้วธรรมชาติที่ลี้ลับธรรมชาติที่ละเอียดที่สุดได้แก่ อ, อวิชชาได้คือความรู้ที่เต็มไปด้วยวัตจักอันนี้ในแต่กระจายหรือเป็นธรรมที่เปิดเผยขึ้นมาแล้ว นั่นแลเราจึงจะหมดปัญหาใดๆในเรื่องความปกปิดแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีในเรื่องความนุ่มหลงแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ดีไม่มีอันใดที่จะเหลือหลออยู่แล้วจากนั้นไปแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทธโธโดยไม่ต้องเสกสรรแต่อย่างใดได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมา ในหลักตามหลักธรรมชาติของตนอย่างแจมแจ้งแล้วนั้นเรื่องทั้งหลายจริงจะเป็นอันว่าเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเวลารูปไม่เพียงแต่ว่ารูปหญิงรูปชา ร, รูปสัตรูบุคคลรูปสภาวะทั่วไปทั่วทั้งจักรวาลนี้กลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันน้ําก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารมิญญาทุกๆอย่างซึ่งไม่มองเห็นด้วยตา ก็กระาษเนทําที่เปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะเหตุใดเพราะบอกเกิดทางความลี้ลับได้เจ้อวิชาตัวนั้นได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วอย่างชาัดเจนด้วยอำนาจของปัญญาสภาวะทั้งหลายทั่วไปทั้งโลกกระฐานนี้จึงเป็นอันว่ายุติไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวกับจิตใจของเราต่อไปแล้วนี่ วัตจักรเป็นอันว่ายุติกันลงได้ในจุดนี้เองต่อจากนั้นไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่ง น, นี้รับต่อใจตรงนี้ไปได้อีกแล้วตามภาษาบาลีท่านกล่าวไว้ว่าวุสิตังเรรมจริยังะตังกรณียมังมดกิจในพระศาสนาหมดทั้งความ บำเพ็ญเพื่อใจตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปอย่างลรอีกหมดทั้งการล่การถอนความลี้รับหรือปิดบงังอันใดต่อไปอีกไม่มีเป็นอันมากสภาวะทั้งหลายได้เปิดเผยแจ้ง ท, ทุกอย่างพร้อมทั้งความมริสุพทพุทธโธตรงนั้นก็ได้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันกับสภาวธรรมทั้งหลายได้เปิดขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมเปิดเผยวัฏจักรก็ได้เปิดเผย วิวัตจักรก็ได้เปิดเผยขึ้นในขณะเดียวกันมีผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการตั้งจิตตั้งใจเริ่มตั้งสติปัญญาเริ่มจำเพาะเจาะจงเริ่มพุสาพยายามบำเพ็ญตนของตนด้วยความจำเพาะเจาะจงด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งถึงธรรมที่เปิดเผยไปเสียทั้งสิ้นไม่มีอันใหนลี้รับในโรคใจโลกธาตุนี้แม้แต่ว่าวิวัตตา ที่เรียกว่าพระนิพพานนั้นก็เป็นการเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกว่าวุติธรงมธรรมจริยังรเพราะเหตุ น, นั้นบรรณาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พึงโอปนัยีโกน้อมขามาสู่ตัวของตัวให้หมดในบรรณาธําทั้งหลายที่ได้อธิบายนนเวลานี้เรากําลังอยู่ในความลี้ลับอันในก็ลี้ลับเสียทั้งนั้นสําหรับเราซึ่งกําลังรุ่มหลงอยู่ รูปจะเป็นรูปทั่วก็ตามรูปดีก็ตามมันให้เกิดได้ทั้งความดีใจและเสียใจสิ่งเหล่านั้นจึงกลายเป็นของลี้ลับเพราะธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตที่สุดแต่เราไม่มองเห็นด้วยตาและไม่สามารถที่จะรู้ได้โดยใจด้วยนั่นคืออวิชชาแต่มันก็อยู่กับใจนั่นเองแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมที่ลี้ลับที่สุดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นบริสัทธ์บริวารที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นเลยกลายเป็นของลี้ลับประจำตา พอธรรมชาติที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วด้วยปัญญาเท่านั้นสภาวธรรมทั้งหลายก็เลยเปิดเผยได้หมดจึงกระทั่งถึงยีวตะถือทันิพานพระเองก็ถูกเปิดเผยไดปพร้อมๆกันนี่ธรรมะการปฏิบัติเพื่อความเปิดเผย อ, อย่างนี้เราทําข้อวัดปฏิบัติทุกขี้นทุกันก็ตามเพื่อความเปิดเผยทั้งสิ่งที่เป็นมัตตะทั้งสิ่งที่เป็นนีวตะขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กําหนดพินิษพิจารณาเข้ามาสู่ตนของตนเสมอ ให้เป็นผู้มีความเป็นอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาทุกอิยาบทท่านทั้งหลายจะได้เห็นความเปิดเผยทั้งวัตตะจักด้วยทั้งวิวัตตจักรด้วยในสันทิฏฐิโกวความเห็นเองของบรรดาท่านทั้งหลายเองและในอวาสานก็ทำสมาธิขณะนี้นข้าวมุญญาณุภาพของสมเด็จพระภูมิพระภาคจ้าพร้อมทั้งกระทำแลงพระสงค์จงดลบรรดาให้บรรดาท่านทั้งหลายได้มีความเจริญนอกนาในศีสมาธิปัญญา จนกระทั่งถึงอิมุติมุติยาทัศนะให้กลายเป็นธรรมเกิดเผยแก่กบรรดาท่านทั้งหลายโดยเร็วหลันคือ